ก็จะไม่พูดอนนี้มันเป็นงานจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามามันปล่อยมาหมดแล้วมันชอบคนนะมันเป็นขมันเองนะเหมือนกับจะทอดทุลักเข้ามาทอดทุลกเข้ามานะมันเคยแนะนำสั่งสอนผู้คนมากน้อยก่อมันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนมนกับหลกับหลีก ไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคําำละคำเขาๆนี่มันเป็นค่าสิในตัวของเราเนี่ยนี่ยที่ได้ลบได้หลีกที่มันมีเครื่องบังคับอยู่ในใครไม่รู้ด้วยนี่เรารู้เรารู้ของเร า, รเราแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งทั้ง มีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัหัวใจสังเกตอยู่นี้เฝ้าอยู่นี้รักษาอยู่นี้เ ป, นเป็นประจำไมไ่ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวากำเริบไปแล้วนั่นแหะยิ่งหัวเลี้ยวหัวต่อูาภาษาของเราโลกบอกเถื่อไม่ได้เถอเป็นไปเลยต้องได้ตั้าไว้บังคับอันนั่ ผมรู้ชัดอยู่ออ้ไ อ, โ อ, โ อ, โอ้หัวใจวายสรุปไปเลยรู้ชาติลยผมเอยืยงตอนมันหอกผมแสดงชัดเจนดีเดีกจนตัวเราเอีงก็กดมิตกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันเป็นขึ้นมานี้มันจะมันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่ม ความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการร่างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานไนงะจนขนาดถึงคิดว่ามีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเลยเจ็บหวันไปไห มันรู้อยู่ภาไในเวลาหอบเขาห้าๆขึ้นมานี่ถ้าธรรมดามันสลบไปเลยมันสลบไม่สลบก็ตายไปเลยมันแรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมาลมขึ้นมาข้างบนหมดอ้างล่างไม่มีลมเลย ลมหายใจก็มันเงียบเห ม, มืนมันรู้ดขนาดนั้นนะไม่ใช่รู้ธรรมดาและไม่ใช่คุยด้วยนะมีความรู้มันมีอยู่นี่ถึงลมจะหายไปความรู้มันมีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการที่เป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็มันหมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติจุดนั้นบงังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้น แล้วเดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทําทําไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยมีส่วนมากที่ว่านี้มันจะวายสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนัไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงดิเพราะว่าคผลไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่นั้นก็ไปเลยเพราะลมไม่มีก็ออกไป เ, เราไม่ไปฏิบัติดังนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มี รงข้างล่า ง, ม, ม, งามันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนะมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติทั้งมันมันรู้มันเอาไปปฏิบัติต่อกันมันเรื่อมันรุ่ง ันดารมเนลงอย่างรวดเร็วิดหอไม่มันยังเหลืออยู่แล้วก็นาหอกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่ไม่สะดวกเหมือนน้ามันไม่สะดวกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกเหมืรถไปกระตุกกระตุกวิ่งไปแล้วกระตุกกระตุกเป็นนักษะ ตอนสีน4โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้เรงไรเท้าดีแล้วพอ5โมงกว่ามวนั่นก็เป็นแบบรถนี่นแบบที่นี่แสดงอย่างชัดเจนกุบขับกุขับลมหายใจไม่มหาหัวใจ มันกระตุกกระตุกมันจะไม่ทํางานเหมือนม้าใจจะไม่ทํางานต้องอยู่คนเดียวมันอุ่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั่นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หมอยังเข้าเกี่ยวไม่ได้ดีกว่า อยโมเดิร์ต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเทนั้นแต่ให้เป็นน้ำไหลาบาวเกี่ยวกับคน น, นั้นคนนี้เรืองนั้นเรืองนี้ไม่ได้ควรู้ทั้งหมดต้องให้อยู่จุดเดียวกระแสของคนรู้ม่ให้ออกหมดเพื่อรักษาเดียว ถ้า ม, มันี้ตกวงคณะโดยมีคณะในวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มหนัเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่บ้านมันก็เห็นความเลวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อย มีเท่าไหร่นตาฮะหมดเท่าไหร่ตาเท่าไหร่เลี้ยงเท่าไหร่ฮะสามสิบเจ็ดเมตรสี่อืมมาใหม่เลยขับปุญล้กคนกันา ม, มาและเกะแล้วกัดะกะขวางหูขวางตาอย่างนั้นเจ้าขวางก็ไม่รู้ เก่งก่างๆมันต้องทีาตั้งใจมาศึกษาจะดูแล้วมันขวังมันเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นในอย่างนั้นแต่เราอยู่มันเห็นจะเห็นปต่กมองไรพักปิดไม่อยู่เห็น ตลอดถึงการส่งเสียงเหมือนกันมันลงที่เกียแล้วกอนมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลำนาเพราะครูบาอาจารย์สำลุดชุ่ม่วงไม่ค่อยจะใดอบรมสั่งสอนก็เป็นอย่างนี้ย่งวัดทั้งหลายที่เห็นนั่นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลื่อเลื่เถื่อเถื่ โดนเลไปหมดมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากล ง, ลง น, นี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันเริ่มแล้วนะนี่เลยเพียงเราค่อยๆเลยุนใจอะไรนะักเกี่ยวกับเรื่องธาตเดือขันน้ำยาของเท่านั้นมันเ็เห็นนะความจะเริ่มเรื่อยๆเตื้อของหมู่คณนะมันบอก ผุ้ใหม่ก็มาเรื่อยมาเรื่อยมันมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจ่ายตลาดต่อกันเท่านั้นเลยไม่เอาทําออกจ่ายตลาดเอากิเลสออกจ่ายตลาดต่อกันอืเลยเป็นวัดทั้งวัดท่านหนึ่งทั้งท่านหนึ่ ง, ท, ง, ท, งทั้งวัดก็เลยกลายเป็น ลาดค่าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีทำเป็นเครื่องจ่ายต่อกันกาเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะวอกแแรงเพราะที่ถีมานะชิงวนแยวแต่กิเลสทำนั้นออกจ่ายกันเลจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทัววัดทั่วว่าทัวพระทั่วนี้ เขาาดใครก็มีคนนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีชีวิตเต็มหมัวใจอถึงประชาชนได้โดงเข้ามาเกี่ยวข้องเ่านี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว่าจ่ายภาษีเาจะปฏิบัติรอบครอบต่อเขาเ่็นไร เราอดดีงามเพียงไหรเราก็ไม่ได้ไว่าใจตอนนี้สายของพิเรสมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนไรทมจะออกให้ได้มันบอกชัดๆคุณนะ การรัประเคนสิ่งของเหมือนกันขวงหูขวงตาในประชาชนญาติโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับใส่กฎใส่ระเบียบดุด่าว่ากล่าวเขาตามกดตามระเบียบของพระเดียว มันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอวุโสพันเตของพระนะผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งถ้าเนรทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุเอาเาความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครวบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเน้นประดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างจะเป็นเงื่อโลกไปหมดมมนมีคำว่าเงื่อบวกเน่ยครูวาจารดุเัามาีเงี่ยบว ก, วบวกถึงจะมีเงื่ยลบบ้างตามในิสัยของเขาแต่การแสดงออก งครูวาาจารย์ก็เป็นอนักเป็นธรรมไปแล้วก็ไม่เสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้รียาการอะไรกับเขามันจะผิดผิดกันอยู่มากกับครูวาาจาย์แสดงออกอย่างนี้พากนรมัดระวัง หแหนเกียดุกด่าแ ก, าแกว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งไม่ใช่ฐานะที่ควรจะใช้สาหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ในใช้ยากิริยานิ่มนวลอ่อนหวานเขาเขาธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความช่วยงามอย่าแสดงอาการห้าวหากดดุดา่าคู่เข็นเขาท่าหน้าทันนผิด เราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี้ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนเรานี้ด้วยก่อนเลเพราะพระเนนเราจะเป็นเนื่องจากญาตโยมก็มาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมมาอยู่ผมก็มาอย่างนั้น การปฏิบัติต่อประชาชนน่าวูจะเล่ข้อผ่านันไหนดูภาพดูเนียนที่ควรจะเล่าข้อไหมเลาข้อมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆ น, นี่แล้วจะให้วาจที่ตรงไหนว่าจะราบเรื่อนดีงามต่อกันตอนนับตับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสยัยเจ้าของนั่นแหละออกไปแบบหลักธรรมหลักวินัย นี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกดเขาเหยียบกองวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวแต่ดุดาว่ากล่าวเข า, ขาเขารู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากเขายกโทษเขาเกลียดเกลียดพระองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่ เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองเดียวก็ทอดพรเสียไปทั้งวัดนี่ยมันเกี่ยวยงกันอยู่อย่างนี้รับบัพเคนจำเป็นที่เขาจะมารับบัพเคนก่อนหลังหลไรก็รับให้เขาเสียทำเป็นเมยเฉย ให้ดูดู้ดู ร, ร, รู้ประชาชนดูกวา ด, ด้านดูเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสมพูดับพอก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุด ไม่พูดมากพูดให้พอได้ทอดได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงเราวจำเป็นที่ต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ะมัดระวังเสมอแต่พูดแบบพร่าๆนันแบบเถระเถโลกับเขาในทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุภรรษา เขามาก็มาเพื่อวัดเพื่อว่าเพื่อครูเพื่ออาจารย์หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเพื่อไปต่างนั้นให้เดียคิดว่าเขายังมาด้วยความเคารพเราเรื่องสายเราถ่ายเดียวคนเรามีกิเลสมันต้องแบบมาหามมานั่นเลยในเราก็มีกิเลกก็ออกจ่ายกันไปผลได้ก็มีแต่ความร่ำรวยเสียหายกระทบกระเทือน ถ้าเกิดประโยชน์อะไรผมไม่ใช่จะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นน้ำที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ตีเนื้อตีตัวออกไปสงบปารมณ์พอให้สบายๆแล้วก็กลับมาลวพาละเกี่ยวข้องกับหมู่คณนะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่น คนอยู่ก็ให้เมื่อเชื่อทำแล้วก็ต้องถือหลักทำหลักไว้ในเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศานนสตร า, าเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาทนญาติอยู่มันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อย อย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันหรือว่าอะไรใครผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนได้ยมไม่ว่าจะาชั้นวันหน้าใดเหุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนวเราพูดได้ทั้งนั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขาดข้อใจข้อใดพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มี เพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องใส่ไม่เรื่องใส่นั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของทงรามต้องรงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งแี่หนักเบามากน้อยในการพูด <c oughs> เราจริงไม่ได้ยึต ว, วิจาร์ทั้งเราเราแต่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดี ถ้าจะความไม่พอดีแล้วมันจะแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากตรงพากันระมัดระวังเร่อยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกในลยที่นี้เอาโลกมาพี่เป็นนาเพื่อปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องในปฏิบัติต่อกันอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดี มาทูกษาอารมอย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะให้ทั้งหน้าต่างๆาคือปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคําพูดคาจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกด้วยเหตุดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านําก่เรศมาพูดอมาแสดงต่อกันถ้าอยู่กับครัาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามา เพื่อจะฆ่าทิเลตกําจัดทิเลตซึ่งดู น, น่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัย น, นั่นหลักเป็นหลักของพระพุทธเจ้าก็ะธรรมประสงค์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานํานั้นมาใช้เสมอ อย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหนู่เพื่อนม า, มากต่อมากออกสังคมมานี้ในสามสิบกว่าปีแล้วรุ่งเคลงมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเทิดเก็มากต่อมากอาจเทศไว้ก็มากต่อมากดูยังมีใครมากกว่าผมนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากซึ่งนเพนแล้วจะเป็นคติ เป็นอัดเป็นธทรรมจากสอค้าธรรมของพระเจ้าทท้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่จะต้องมากอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวั น, นนี้เวลานี้ อาทันมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรคโดทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นนี้โรคันนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องในระมัดระวังอยู่โดยลำพังเจของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดมันก็มันก็ ไม่ได้ข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือวนวตนเองให้มีความเข้มแข็งในอักในธรรมในความภาคเูมิใจก็จะมานอนใจอยู่นั้นมาเป็นของเที่ยงของหนาท้าว อ, อนมีแสดงไม่เห็นไม่นำพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงโบสถ์ ส, สำรักกรรม ตอนบ่ายโมงเพราะพร ะ, ะมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์เห็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นนักบหชน่กต่างองค์ต่างมาห้าสิบหกสิบพระสนเน้นที่ติดตามพระมาไม่นับ พูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่วันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจขึ้นมครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าเลยมาอยู่กับครูกับอาจารย์นั้น ว, ว่าจะอันจะอยู่ตลอดไปกับเราหนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมา เหาจะเข้มแข็งความภาพความเปลี่ยนอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นมา <c oughs> ในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังพิสุทธิเท่าจะแก้ให้นะภาวนาสัตย์ทั น, ทนมีแตพิสุทธ์เท่าพิสูทธ์เท่ามีเวลาพิสูจน์เท่าตายแล้วยากนะใครจะแก้ด้านจิตใจทางด้านจิจตภาวนานะท่านว่านี่ไม่นานนะนะนย่ำลง ไม่เลยแปดสิบนามาฟังเลยทานรู้ตรงหน้าไปหมดแล้วชุดยืดน่นเข้าไปยืน่นมาไปกันนี่เป็นนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเรา ห, หนเข้าไปนี่เวลานี้อายุเท่านั้นแล้วนะแล้วคนนับไปเท่านั้นเท่านั้นท่านั้ น, น, นพอถึงจุดแปดสิบก็นีนะ่มันนานอะไรนะะมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลย ถึงขนาดมั น, น, น, นพูดพูดเปิดใจเถอะใครรูที่ลูกหาจะไปว่าท่านโออวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโออวดภายในใจนนก็มีแต่มันสลดสองเวทาทางหน้าทางตาปฏิบัติก็เล่นเราเนี่ก็เหมือนกับจิตที่มันั่นลึกๆๆๆ่พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเขียนก็นหนักอาคุวาจันทมีชีิ เรก็เพิ่งพาใส่ร่มเมาท่นแก้ข้อขอัดขาทำที่สงสัยมันก็เล่นความเปลี่ยนจนที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขาแปดสิบปั๊บท่านก็เริ่มป่วยพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเจ้าเหน่ยตั้งไป ซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้ามาไม่รู้ขีดข้างกี่หนท่านไม่เคยพูดเป็นไข้เมลาเรียไข้อะไรก็ไม่เคยพูดถึงเรื่เป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เริ่มเพียงเริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันชุนนี้นะเพราะเราอยู่บนเพอาวาเีราะห์เราไปถึง วันค่ําหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้นที่สี่ค่ำเดือนสีผมจําได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผมเริ่มป่วยแต่วันวันเสาร์วันศุกร์ก็หมายถึงวันขึ้นที่สี่ครับนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนั่นไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรมอะไรก็มาถึก ไม่มียาขนานดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้ไข้ไข้นี้คือเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะนี่เป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนโรคคนแก่ทันวานี่เดี๋ยวไปหาอยู่ค้ายามาใส่มารักษาเป็นไปตามสภาพของขันเนี่ยทันวานั่นเอามารักษาก็เหมือนกับ เอาปุ๋ยแล้วลดน้ําไม่ที่มันตายยืนต้นแล้วนั่นแหละจะให้มันปีแบบ อ, ออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้นั่งแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองว่างนะแต่มันหาด้วยยามไม่หาย น, ะนี่เพิ่งเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเดียวแน่ไหมอาจารย์มันฟังสิ ผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างเขาแปดสิบไม่เลยแปดสิบนะฟังสิแล้วโรคอันนี้เป็นคขายวาระสุดท้ายนะจะไม่หายจนกรทั่งถึงตายจะตายด้วยโรคคราวนี้กันว่ะป่วยคราวนี้กันทันว่าจะไม่ตายง่ายเป็นโรคพรมาณ ก็จริงตั้งแต่เดือน4ถึงเดือนที่สองประม18เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนก็ค่อยๆสูงค่อไปสูงข้อไป ส, สุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้นน่ารักของลูก ละเอียดอราผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานีหลายความสามารถสลาดลูกของจิตจะมาวัดมาเหลี่ยบมาเทียบยกันไม่ได้เนื่งจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้าับภูมิวองสาวกนีกแม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่พอภูมิที่ความรู้ละเอียดสุกคุ้มคัมพีระภาพกว้างขวาขงลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้า ความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามนีม่เป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากท่านนั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาจนวันตายก็ไม่เจอ ทำที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากกิจเต็มด้านตบนดว น, ด น, ดนจะไม่ปรากฏในตำรับตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเตรียมตำรับตำรานั่นมากั้นมากลางมากาีบมากาันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเท่าไรบางพระพุทธเจ้ า, จากัดสรู้มาแล้วทำมีขนาดไหนชงแสดง ก็ไปจดจเล็กได้เตรียมกรอบนึ่งคำหนึ่ ง, รรงต่นนั้นจะมาอวดได้เลยอัมผีความรู้ที่นอกคัมภีซึ่งไม่สามารถจะจดจำออกจากท่านได้นั้นมีเท่ากับน้ำมหาสมุทรกว้าขงขวางขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนผู้ไปจดใจเล็กออกมาก็อืขึ้นอยู่กับนิสัยอีกไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัย อะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาทำท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นผู้ดูชนไปจดจดารึกออกมาก็จะได้แค่ความจําความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจํออกมาเน่ยจะเป็นความดบความดีเป็น แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจรวจจารึกออกมานั้นไม่เหมือนคิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันนธรรมพระพุทธเจา้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเขาถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นหละความจริงต่อความจริงนั้นเข้ากันได้ เลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสาม า, า, า, ารถแห่งภูมิพระหันองค์นั้นๆจนได้ความคิดออกมาถ้าเป็นปุริชนนะก็จะได้แต่ความเกิดความจำมาอย่างลอยๆผิดกันอย่างน้นเพียง <P> ในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะอมาก แ่นกันได้แล้วผมยอมรับดั่พูดไว้เลยปัญหานั้ น, นวันหนึ่งวันหนึ่งถรามาเกิดขึ้นไนม่มีประมาณเลยนะตั้งเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยากจนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่่จะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสุดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่ พิยาบทเลยจนหวานเป็นขึ้นมาได้ทุ ก, ท ก, ท ก, ทกววเวลาเวลามันตังอยู่ึงได้เชื่อเรงพระพุทธเจ้าภูมิของศาสด า, า, าววาอย่างนั้นกว้างขวา ง, งลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามาหาสมุทรหวานก็จกิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิด เรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กับไหนกันใดซึ่งเป็นโรงงานของมันอืได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ่งเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทําไมกระดิ่งออกมาจะไม่เป็นธรรมเพอาะแยบออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาแสดงออกมากิเลสไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงจิตขวางธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว มีแต่ทำทำงานตั้งแต่ตีบริสุทธิ์แล้วก็ทำงานทำเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องคิดค้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัดเป็นธรรมเพื่อแก้ยิ่งเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องตปเป็นพักพักพักพักพั ก, กไปมนนีก็สัมผัสสัมพันธ์อะไร ที่ควรจะพิจารณาแคบกว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเต็มภูมิตกระตั้งหายสงสัยในเนี้อัแน่ธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดมั น, น, นั่นแล้วถึงจะยุติแล้วก็มีเรื่องผ่านมาอีกผ่านขึ้นมาอีกที่ควรจะได้พิจารณาอายอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นรู้อยู่เรื่อยๆเป็นขึ้นมาเองเป็นขึ้นมาเองกิเลสไม่มียิ่งที่จะมาจีดความจีดใจไม่มีในจิต ด, ดวงนั้นไม่แต่ทำทั้งแท่งทำทั้งดวงจิตทั้งดวงเป็นธรรม ทั้งนั้นหรือมีแต่ทำออกแสดงล้วนๆความจริงเต็มฝัดเต็มส่วนนี่ต่างกันอย่างนี้จิตของท่านผู้บริสุทธิ์กับจิตที่ทมีจิตเดชคอยจีบคอยขวางคอยบีบบังคับอัดทําให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้ส ท, ที่เคยรักก็ไม่รักน่ะที่เคยชงังเคยเปียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปียดมาโกรธมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นจิตเดชเท่านั้น มีแต่ลัธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องจิตต้องขวางต้องต้านทานกันต้องบงังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินไม่ฟังก็ผ่านท่านน่นคิตของท่านผู้บริฝุกเป็นอย่างนั้น ทีตของพวกเราไม่เป็นงนั้นเองมันเป็นครั้งกิเลสยับประมาณไหนมีแต่เรื่องของกิเลสทําให้งูหุิดให้วุ่นให้วายมีแต่กิเลสทาให้วุ่นให้วายทาแท้ไม่มีเรื่องอย่านี้ไม่มีให้น้อาใจให้อ่อนแอทอดแท้ไม่คุมงามความดีทั้งหลายอ มันถุดลงไปถุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันถุดมันลากตลอดเวลาถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเนีไปไม่รอดใช้มันเนี่ยจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยจินตามซามทั้งหลายนั้นมันค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าเพราำจัดกันได้ง่ายได้ง่ายลงไปดูนครับเืนถึงกนหนักดกตัวฉลาดมันหมอบมันหลบมันหลีกแล้วตามต้อนกันมาด้วยอัตมาธรรด้วยปัญญาอย่างเกลียงไกล่เอาลือ้อพื้นทีนมาได้หมด โลกต่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี้ด้เกิดขึ้นแล้วกิริยมีกี่สายนับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคา ม, มีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคา ม, มีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนัยเช่นเดียวกับผลไม้ ที่เริ่มห่างแล้วนั่นอะเทียบกับขัน้นอนา gar แต่แต่เต็มที่แล้วแล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนะนีม่นมีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจัง เน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอ น, อ น, น, น, อนต่อความสุขเมื่อมันแต่แล้วจท่านทั่งถึงขั้นมันหามแล้วนั้น่ะยังไงมันก็ไม่เป็นอื่นนั้นจะไปในทา ง, ทางสุขโดยตัวเดียวกิจเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแก่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองไปเรื่อยๆเล ย, เยนี่ทียวทันเลื่อนขึ้นไป อวิหาตาปาเือสาเพื่อจีอัคนิฐาอคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นธะอนาคา ม, มีแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยไปจนกระทั่ ง, งเป็นสุขเต็มที่แล้วก็ถ น, นนิพพานทั้งอย่างนั้นมไม่มกลับ ม, มาเกิดอีกมันเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อ การต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นที่อย่างพระโสดาเนี่ก็แน่นอนว่าตอนนั้นชาติตอนนี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้เท่านั้นตอนนี้นี่มันเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการเว ล, ลามเวลาบังคับอะไรมากบางทีเกิดชาติแน่ไปถึงเกิดชาติมังก็มี สามชาติเอกรพีมาเกิดที่ชชาติเดียวหรือสาเร็จพระโสดาแล้วขึ้นอาลัตละหัหหในเลยในชาตินั้นก็ได้แต่ส่วนมากที่ว่าพี้ีชาติเดียวนั่นก็คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอ น, น ไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเ อ, เ อ, เอกอับพิชีเพราะมันมันชาติตัจุบันไม่ใช่ชาติสึกต่อจากชาตินี้ไปพอพิจารณากว่าเอกกับพิชีมีพืชอันหนึ่งคือจะมาเกิดอีกที น, น, นั่นจิตที่เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นไปแม้แต่ภายในจิตทั้งเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบจัด คือมันหมุนไปเอง ต, ติตปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างคว า, ค, วาความทอดแฉะอ่อนแอเหลือหลความขี้เฉียดขี้ข้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่วความบึกบืนมีดแต่วความมุ่งมั่นมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยท่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจ สติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญาเย็นเดิน น, น, น, นั่งนอนอยู่นั้นมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลบจะดีบที่จะเแกจะไขที่เล็ดดูภายในใจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้น คือมันเป็นเองมันรู้ชท่านู่านดูภายในใงั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจริงเมื่อกลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาติอย่างนี้เองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่จนที่แล้วมันก็เริ่มหามะหามมไม่ไปสุขมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองมีกิจมองสุขเหมือนกัน เป็นทางนั้นถึงขัน้นทงไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลปการ น, น, นักยิ่ขั้นเริ่มต้นยิ่หนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนีปัจ น, นาแล้วเปิดโลกแล้วที มันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจเป็นอปเองทำทด้กล่ามาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติเหมือนกันทุกคนมารสนาก็คือทําเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคน จังใจปฏิบัติดยาหลอหลอแหล่ๆเรื้อเรืไหลไหลให้หนักใจอุธส่าห์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่พูดหลอหล่อแหล่ความหลอหล่อแหลๆเรื้อเๆเืหลไหลมันเป็นเรื่องของจิยตทํางานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมความพลาดความเพียน เ ป, เป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจไปปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะกลัออรู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหลังเพิ่งเรา นี่เราก็หัวใจคนทําไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนแต่เวลามันจําเป็นควรเป็นอย่างนั้นนั่นก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอยู่ไปตามอกตั้งใจ อย่ามองกันในแง่ร้ายหลักใหญ่ให้มองกันในแง่เมตตาแง่ให้อ ภ, ภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทําเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอวุโสกับพันธุ์เตยอยู่ด้วยกันเหมือนกับวิญญาเดียวกันนั่นหล่ะทำแท้เป็นเนิน คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองกันในแง่ไรเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มจะเกตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจแล้วก็ตบเตือนสั่งสอนหรือบอกเล่ากันให้รู้เรื่องรู้เล่าผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรม ผู้สอนก็นสอนเป็นธรรมยาวขี้เด็กออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวขี้เด็ดมาฟังมาทำงานด้วยให้ทำต่อทำเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพอ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญคิอว่าทำแล้วเสมอไป ให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีความสงสัย น, นี้เกี่ยวกับพาระราภายนอกผมมันลดลงมากเลยเตือนประชาชนญ ย, ย่าโยมนี่จืปฏิ บ, บัติอย่างแต่ก่อนมันมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างตัววันนี้ ยังพูดคำให้คำสองคำดังนั้นมันก็รู้สึกแล้วหน่อยแล้วเราต้องได้ขออภัยแล ะ, สะแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนยาโ ด, ดมในเวลาแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันเป็นเครื่องบังคับให้ต่างแล้วก็บอกการแนะนำสั่งสอน ยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นแบนไปไม่ได้พูดคำสองคำเข้าไปข้อสิ่งเหลนี้ธาตุขันนีมันไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกระมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นได้เห็นดูดยลำพังจะของ การมาเกี่ยวข้องกับไปชาโทนพระนิ่งมันต่างกันนะอยู่โดยลําพังเรื่องของมันพอดิบพอดีอันั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับยากกับดยมเหมือนกับกับพระกับเนครอ็มากเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ u o งลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมาถ้ายังฝืนมันไปมันก็ยิ่งออนหนักหนักหลายหนักหนักหลายครั้ง ทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้นั่ต้องนี้โลคดีปิดตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโรกนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติยืนนานกว่าการหักโหมมันลรงจะพูดธรรมา ก, กทราบหน มีผมฝืนมานะะพูดให้ฟังบางคั้งที่พูดไม่เต็ไ ม, ม่จต็หน่อพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งพลาดขันนังดีมันเป็นอย่างหนึ่ง น, นางเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะั่นพูดโดยมีสิ่งบังคับอยู่มันก็เป็นอย่างหนึ่งดังที่เห็นอยู่เวลาเนี้ ถึงวาทีมม่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหมอกใจนี่ม่เป็นอยู่ที่ไหนภายนอกมีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไงต้องในนรรมะตัวว่างรักษาเจ้าของอยู่ตลอด อ่สุขภาพของเรา็ยิ่งลดลงลดลงภาละที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนี่ที่มันมาทับทุมกันทุมกันเป็นอย่างนี้ทำให้พยายามรวมัดระวังให้ ม, ม, มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้มีสัยวุ่นกว่าแม่ใจ คุจะอยู่จะไปที่ไหนอารที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบาัติเพราะไม่ใช่เป็นความตั้งใจไม่รับนิสัยของหมูเพื่อนเพราะวนไหนท่านคงมีเนื่อยเราเรายัไม่แน่ใจนะ เราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันไหนให้แล้วให้เราหลวงก็ไม่ได้เยอะแล้วอะไรเนี่ยมันหลักความพึ่นพินหลักตั้งใจเพืุอปฏิบัติเนี่ยเป็นนิสัยแทนไปก่อนกินมาใหม่ก็มากไม่ได้หรือเนี่ยพระ ขึ้นามาจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมาหูมีการมีให้สำเนียศึกษาดูกันนะอยาให้ผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากอยู่นะผู้มาใหม่เพไม่เข้า อ, อกเข้าใ จ, จเก้งเก้งกลางๆางขวางหูขวางตาขวางไว้ทุกสิ่ทุกอย่างทั้งทั้งทื่มัมีเจตนามันก็หนักใจได้ ก็จะนั้นให้พากันสำเนียบศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทํำยังไงยังไงพูดยังไงยังไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองส่งกรรมาศึกษาอบอรมมาเชื่อจริงๆต่างๆให้เฉยวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอยงนี้ก็ไป หาหลักหาเจนไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรบูดถึงนู่นความรู้สึกนี่มันหดมากจริงๆโหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรอะไรกับอะไรทั้งนั้นเละไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอุ้มลำพังลาพังไปวันหนึ่งวันหนึ่งต่อ มันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นประมวลมาหมดแล้วมันคืนปีเดือนมันจะพายืดยาวไปไหนมันก็ยืดยาวของมันอยู่นะมันมืดกับแจ้งนั่นแหละแต่อายุธาตขันนีมันไม่ได้ยืดยาวไปไหนนอกจากตัวของมันที่แสดงความมณิจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาอย่นั้นนี่มันก็ถูกหลังจบเอวเปลี่ยนได้ไหม หลังตั้งเอวก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอาจเห็นทำนังที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอดีตมาเป็นอุปสรรค ม, มาขีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมาขีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าต่อไว้ปิดทางเอาไว้ มาครั้งนั้นตานสําเร็จมรรผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สําเร็จเพราะมรรผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วนิเรศอยู่บนหั ว, วใจมันมีชา้ามีนานที่ไหนถ้า ล, ลองคิดอย่างนั้นเลยนิเรศมันคือกิเลสอยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือทําเป็นเครื่องแก้กิเลสในหัวใจของพทุกคนเมื่อผิดขึ้นมาชาย มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัจจิมาปฏิปทาพร้อมสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าทําแล้วมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะอ น, นิพานป็นนานไมนานไม่นนไมสําคัญอืราะองค์อนิพานป็นนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นดุลลอยมันก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดเสียแล้วทําที่จะผิดขึ้นมาปราบกิเลส มันราบเรียบภายในหัวใจเราทามันจะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสจิตเป็นาฐานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั่นก็ทำงานได้มากกว่าถ้าดี เวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจ เ, เดี๋ยวผิดทาขึ้นมาไม่ยู่ไม่ถอยทำก็เริ่มปากรขึ้นเมื่มีมากขึ้นมากขึ้นทั้งเพราะทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบรู้สึ์ขึ้นมาน่าเหมือนข้างพุทธกาลที่ทำมาศาสนาล่วงไป ห้าพันนัจะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรมมันด้อยลงด้อยลงจกนกระทั่ทงหมดไปไม่มีใครสนใจหนานในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั้นต่างส่วนความกินอย่างธรรมแท้ความกิ่งเหี่างจิเลกแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจ แต่กิเลมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ทำปรากฏขึ้นเลยจะคิดเรื่องอัดเรื่องทำถูกมันปิดมันขันมันเสียคนก็เลยหมดความตั้งใจในธรรมถูกกิเลสลาดกดูมันใช้จนแหลมนี่แหลที่ว่าศาสนาหมดหมดหมดในหัวใจของคนต่างหากทำไม่ได้หมดทั้งหมดไปไหนทำกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นเจะว่าใครจะผิดขึ้นมา หรือไม่ผิดขึ้นมาทาถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้านีน่ลงมาสะลาเวลาเท่าไหร่ระยะ น, นี้ก็ประมาณหกโมงที่สุบก็พอดีอย่างที่ผมได้สั่งไว้นั้นมัระไม่ได้เช้าจะโดนเกินเหตุเกินผลคือต้องกระสว่างมาถึง เวลามาทํางานที่ศาลาเนะี่ยประมาณยี่สิบนาทีก็ทันไม่ได้หนระือทันกับการบินจับบัตเวลาบินจับบัตรเราคิดว่าจะทันไม่เช่าจนเกินไปบินจับบัตรนั้น ท, ทนะั้งรวมนะการรับบาตก็ให้มีความเนะคารพในการรับเคารพธรรม เขาบินสะบาทข้อบินสะบาทเป็นวัดของตน ร, รับศักดิ์แต่ว่ารับรับสารรั บ, รบวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะแต่ชาดีเร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามมันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดู ควมเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบินธบาติงานลำบาทก็ดูอยู่ในบาทตาจ้องอยู่ในบาทกําหนดให้เป็นธรรมในบาตไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นมีหลัก บ, บินธบัดิงานนั้นนั้นจะว่าเป็นธาตหรือไม่ธาต หรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงในบาเดินไปก็เหมือนกันมองนู่นมองนี่เถอน น, ถอนูนเถอนี่แบบนักเลงถ้านักเลงเป็นแบบพระองศักดิ์บุตรแล้วมีความชั่งรวมช่วยงามมาก ชาชาหรเลวเจะมาะมา ว, วิจารวิจารกับผมผมก็ไปของผมเองํามเวลาผมจะวนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ให้เพื่อนยิบร้อนเพราะผ ม, ไ, มไปโดยอดโดยธรรมมาโดยอดโดยธรรมเออพูดไปนานเหนื่อยแล้วเอาละพอละ ตอนนี้มินตบานมันสองสายหรนี่อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจทำพิชปฏิบัติสายไหนก็บินตะบาดไวขนาดเรานี่อย่าว่าจะแท่นี้ไกลว่นนี้กับไปเถอะมันไมไ่มีอะไรเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลวผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึงเจ็ดแปดกิโลก็อยู่ในถ้ำออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่ สาสี่กิโลอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ได้มัดวิ่ตวิจารนอกมันไตเกินไปไม่มนีมันไม่เมื่อยเดินไปกะภาวนาด้ว่อยถึงบ้านมั็นสบายมาแล้วก็มาถึงพลรามหินที่ไหนมีน้ำาพ๊บเที่มงองน้ำเรากลับไปไว้แล้วเอาไปด้วย ออกมาก็มาฉันยาตะมันไกลฉันเสร็จแล้วก็ไปโยก็ติดตามมาสักคนหนึ่งทำเป็นของเสร็จของเหลืออะไรเขากลับย้อนออกมามันมีนะเราก็สะพายบาทเป่าขึ้นกี่วันค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะเป็นอย่างนั้นความทุกข์ ผมนีทุกข์มากจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติรู้สึกว่าผมนีนทุกข์มากจนกระทั่งกลัวความเพียนอย่างของเมื่อคิดย้อนหลังโอโหโอโห้เลยเตี้ยนะแหมมันทําได้มันทําไ ด, ได้อยู่ทุกวันนี้ทําไม่ได้นะตายอดอาหารนี่เป็นท่องเสียมันเป็นนิสัยมันดีมันช่วยความเพียนได้ดีกว่าวิธีอื่น เพราะอดเดี๋ยวใช่เราจะฆ่ายิเลศเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทําความเพียนสะดวกตรงนั้นนั่งธรรมดาผมผมนั่งธรรมดาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ออกแล้วลงทานังคม จิหน้าหนาวเรากลางวันยินสวรรคไม่นังมากกลางคืนมันหนาวมันอ้หนาวตะกอนมันเป็นยังไง น, นะทั้งๆ ท, งทีเราก็หนุ่มน้อยอย่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพ่อสองถุ่มนะจะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกตับ ต, ตุบตับสามทุ่มสีทม่ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝน น้ำค้างนะอยู่ามปา่าตามเขาป็ทุกวันไม่เห็นมีนี่เอ๊ะทำไมไปอย่างนี้ป่ายิ่ดูมุ้งนะ่ะเรามีประลัมของเรานราแขนมุงน้งเลยนี่เปียกหมดนะมุ้งนี่เปียกทุกวันเลยจ้ะเปียกเหมือนกับเราซักน้ำเลยนะขนาดนั้นนะฟัดูก็ต้องเอาลงไว้งั้นแหละเอายินตบาดกับเราเ อ, าเอาลงไว้ให้มันแห้งกลับมาเพิ่งออกกระตากทุกวัน มันจนขึ้นลาทั้งๆ ท, ที่มุ้งสะอาดนะมันก็ขึ้นลาแล้วลาขึ้นราแล้วมีซักไม่ออกนะเลยกลายเป็นมุ่งสกปรกยิงเป็นจุดละเอียดละเอียดละเอียดนาดนั้นนะมันหนาวขนานั้นนี่พอถึงสองทุ่มแล้วต้องเข้ากางขางให้ออกมันหนาวมากแข็งไปหมดตัวสั่น ลังคาตีนุ่นงน่องนนอย่นะ <c oughs> ต่ผ้าห่มผมมีสําคัญที่ผมไม่เอาผ้าห่มไปหนาวขนาดไหนก็ให้มันสามผืนตนนัวเนี้อีวอร์ภาพคลื่นลังคาตีภาพคลื่นให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจันกินตรงนี้บางคืนก็ลอดลูกเลยนะอังคือ น, นาวขนาดนั้นนี่ต้องนั่งมากพรานั่งเล้ยมันก็สงบความหนาวสงบปิดเข้าในแล้วมันสงบสบาย คืนหายเงียบแปเพราะถึงเพราะถอยจิตออมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วนี่มันก็นอนไม่หลับจะตายอีและต้องลุกขึ้นอีนั่งอยู่สุดท้ายก็สว่างบางคืนขนานั้นนะนี่กลางวันเราจึงต้องจงวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วล้างบานรล่างอ่านแ่้วเอาปัญญาต่อใต้เตียงใต้แช่แล้วเข้าท่านกลมเลย บิดาบาทคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียวเวลาอะไรท้องฟังของผมตั้งแต่เมืเ อ, อจากนั้นก็เดินก็เป็นทั้งสาชั่วโมง5้าโมงดึกเที่ยงจึงจะออกมาจากท้องฟั ง, ฟ ง, ฟงก็มาพักเพราะมันมันพักไว้ได้ถึงคึงก็พักครับพอตื่นไม่มาก็นั่งพรวนาแล ไม่้เลยเชั่วโมงอ่ะน้อยเดังนั้นก็ลงทางกรมเลยให้เดินมากเดียวเพราะเพื่อกลางคืนเดินจนนั้นมันเมื่อยแต่มันก็มันยอมเมื่ อ, อยนั่นแ่ะมันแข็งแรงเลยจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็เรียนจับแท่งถึงจะออกมาปัดกวาดแล้วก็ไปอาบน้ำมุ่นลุกอาบที่ไหนไปหนาวปนานั้นมันก็อาบได้ แล้มาแล้วเข้าทางครมอีกจนกระทั่งมันจะกล้าขาไม่ออกแล้วที่นี่เข้าที่ห้นั่งเล้ว ห, วหนาวจริงๆจะขอนหนาวโอ้โหจนหน้ามึงแตกหมดมันตกกะตามร่างกายแขนนี่ตกกะไปหมดเลยหนาวขนาด น, นั้น กุ้งก็พยายามจะขอเอาจริงๆมันก็อยู่ในกปบลมของใจนี่ะอะไรพอดีใจมันเอาที่อย่างเดียวอะไรมันก็เป็นไปตามใจห ม, ด ท, ด, ห ม, มดทุกขกันอย่างนี้มันก็ไม่จะว่าทุกมันไม่เ็ดไม่หลับนะ น, น, นั่งตลอดรุ่มเหมือนกันมนคาดในฟันา ม, มันจะนั่งได้ตลอดรุ่ม เอาได้เอาได้เอาได้ตนองเข้าคืน10คืน ก, กว่ามาั้งแต่ไม่ไม่นั่งทุกคืนติดกันนะเล่นไป2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีก็6 7คืนบ้างนั่งสักทีนับดูเลี้ยงมั้งก็ถึ10กว่าคืนมัง้ง นั่นมันก็เขไม่คาดในฝันว่ามันจะไปสู้กันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นในจังหวะของมันนหละทุกเกิดขึ้นมากมันก็คึกคักที่ใจโอ้โหเวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เหลือนี่ ทรียนี่นี่ทไมจะไม่มมพิจารณากันอืมันก็หมุนแต่กันฟัดกันให้จนตลอดลุ่งเลยมันก็ได้ความมัฏจันเวลาจิตรวมเพราะอํานาจของปัญญาฟัดกันจิตลงได้พุ่งลงได้เต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาตีกระร่ำเข้ามาตีกระรเข้ามาหยุดสงบนี่เนี่ยปัญญาลงสมาธิปัญานั้นมันจะสงบด้วยสมาธิไม่ได้นะ มันจิตก็ฟุ้งทุกข์มัมากขึ้นหรือฟุ้งปัญญาไปเข้าไปจิตมันพุ่งไม่ได้นะเราปัญญาลวงสมาธินี่มันอาจฐานนะโออาจฐานผิดผิดคาดผิดหมายอาจารย์จิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อาจารย์อาจารย์สติปัญญาที่มันหมุนมัน ฟ้าต์มันเหวี่องกันก็อาศัยการมันเกิดของมันถึงเวลามันจนเกาะแล้วก็ขีปนาวุธอยู่เฉยไม่ได้นะมันหมุนตัวเองเลยวงซ้ำมันรอบขิปนึงถงลงถึงที่ที่เพราอมันได้ของอาจารย์นี้มาแล้ววันหลังนี่มันไม่มันยิ่งกล้ า, าหาญรู้วิธีลบห ล, ลีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับเวททุกเวทนาแสนสาหาัสเอาลงได้ลาบได้ในขณะนั้น เหมือนกับว่าเป็นไฟไหม้หมดทั้งตัวมันยังเอาลงได้เอื้อมน้าของวัตถุปัญญามันจะมาจะจ้งใจยังไงแล้วมันจะไม่อาจทานยังไงพอมันได้หลักได้เกณฑ์อยงนั้นแล้วขาหลังมันไม่ถอยแลลมมันยิ่งแข่งมิตายเท่านั้นว่างั้นเลย ไม่ตาก็สว่างเท่านั้นถึงจะลูกกันจิตนี้ตั้งแต่ขณะที่ลงนั่งกําหนดเรียบร้อยตั้งสัดจ า, จาอธิษฐานเรียบร้อยมาจะนั่งตลอดลูกเขงนั้น่ะพอเลยจากอธิษฐานนี่ปั๊บแล้วจิตนี่เหมือนผู้ต้องหานะ่ะจะไม่ยอมว่ามันแยกออกไปไหนได้เลยนี่ที่มันทุกข์อันหนึ่งนะจะพุ่งลงทอเดียวเหมือนกับ อาตะุมบอนสองครามกันนั้นนะอันนี้ก็ทุกอันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้วางอันนเอนะมันคิดอยู่ในกายเท่านั้นบังคับมันอยู่ในนี้ต่มที่แต่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดนี่เอง่อมจะได้ความอัจริย์มันไม่เคยพลาดเลยเป็นแต บ, บเพียงว่า ได้นานหรือไม่นานต่างกันเท่านั้นบางบางคืนมันก็นานพิจารณากว่าจะสงบลงได้เป็นที่ของมันโอจนมันเหมือนกับร่างกายมันเน่าเฟะไปหมดมันถึงลมได้บางวันก็ไม่ไม่นานจับติดปับป๊บติดปั๊บติดปั๊บเดี๋ยวก็พุ่งลงถ้าวันเช่นั้นแล้วไม่ลําบากนะ ลุกขึ้นมาไปได้เลยร่างการเป็นเบาะจำถ้าวันไหนว่าจะจะเต็มเหนียวจนจะเป็นจะตายแนละ้วลุกขึ้นยื้ไม่ได้นะต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วอานาดนั้นนหละคุณที่แรกร่มเพราะไม่รู้เรื่องเลยคืนแรกมันตายหมดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวด เวลาลุกมล้มโคมเลยหาอยู่ในก็อยู่อย่นั้นตายเหมือนอทําไงเป็นนี่นลุกไม่ได้เอามือยันเสร็จนี่ลงไปนี่มันตายหมดจัดทิ้งก็ได้เลยขนาดนั้นนะจับไม่รู้เลยนะมือจับขาไม่ขาไม่รู้ว่าเย็นว่าร้อนของมือแต่มือรู้ว่าขานี่เออย็นจับเฉยเฉยนี่เหมือนทําไมเป็นขนาดนั้นนะมันตายขนาดนั้น มีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนนะมันก็รู้แต่วันไหนมันลำบากมากวันนี้ลูกก็จะต้องตั้งท่าต่างๆต้อจับขาดึงออกแล้วนั่งสมาธิต้องจับ ข, า, ออนบนบขานี้ไปวางไม่จับขานี้ออกวางไว้นั่นนะมันไม่ทํางานเลยวางไว้ยังนั่นซะก่อนลนะต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้ว ก็ดิบดูก็ดิบเอาก็ยก็มือก็ดิบนื้อเท้ามันมันเฉยมันยังติ่มกรดิบไ่ได้นยังลุกไม่ได้นะมันร่างแล้วก็ดิบก็มืก็ดิบเคยดิกได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้ลูปได้แต่มันกระลูกันแล้วนี่เพราะมันเคยกันวันไหนจิดลงได้ง่ายแล้ววันนั้นลุกเลยรู้เองเพราะอวัยวะทุกส่วนมันรู้ตัวอยู่ ไหนมันบอาจ้ำมากี่หอยวะส่วนนี้หลวงพไม่รู้เลยจับดูมก็ไม่รู้เลยตอนไหนจับมันออกนี่แล้วที่ว่าเปนได้หลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อานหารมาก็ได้อยู่ที่บ้านนาำมนต์ พรรษาวันแม่หุ่นจันท์พรรษาที่สองความเพียรนี่ก็โหมเต็มที่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายโหมเต็มที่ในชีวิตของผมนี่เป็นพรรษานั่นแ่ะที่มันหนักมากที่สุดมันหนักมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยนะนั่งตลอดลุกมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานะหักโหมมันจริงๆแล้วกลางวันก็ไม่ยอมนอนเลยนะ คือเว้นแต่วันไหนคืนไหนที่เรานั่งตลอดลุ่มแล้วกลางวันเรานอนให้แต่วันนั้นนอนมันก็ไม่ค่อยหลับสนิดทละแข้งขามันกระตกของมันมันเจ็บมันปวดระบบไปหมดนอนก็ไม่ค่อยหลับแต่ในอธิษฐานไมนะ่ในกลางวันถ้าม่นั่งตลอดลุ่มแล้วเราจะไม่นอนกลางวันผมไม่นอนกลางวันเลยกอได้มากสามเดือนไม่ยอมนอน มันจะอยู่ดึกขนาดไหนก็ตามกลางวันไม่ยอมนอนให้ตังอันนี้ตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเว้นแต่ป่วยเราบอกนี่กับนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนั่งตลอดรุ่งแล้วตื่นเช้ามานหนังกนง็นอนไม่แช่ ทำเว้นป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในบัญชาไม่ป่วยมีการหนักจริงๆต้องความเพียนเนี่ยคิดว่ากลัวนี่กลัวตรงนี้อนะี่ยพรรษานี่เป็นพัญษาที่น่ากลัวมากที่สุดมันหัวมันเต็มที่อีกก็ได้หลับในพัญษานั้นที่กิดได้หลักสมาธิแน่นปังปังเป็นเหมือ น, น, น, น, น, นหินเลย เนแน่ใจอยู่ครัเออที่นี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะถึงทัานที่มันรู้มันรู้ไหมไม่เสื่อมแต่ยังไงก็ตามเรื่องการระมัดระวังนี้ความเข็ดหลาบที่มันเสื่อมนั่นะมันฝังที่ว่าใจมันจะนอนใจไม่ได้แต่เสื่อมน้อยเสื่อมมันก็ไม่ถอยในการควบคุมจิต